ทั้งที่เคยทำกับเราหรือเคยทำกับคนอื่น mm hmm. เพื่อจะเป็นการเติมเชื้อ mm hmm. เติมนะ mm hmm. เติมฟืนให้กับความโกรธให้มันโกรธมากขึ้นโกรธมากขึ้น mm hmm. เวลาเศร้าเนี่ยนะเศร้าเป็นเพราะว่าเรื่องแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะไปขุดคุ้ยเรื่องต่างๆที่มาทำให้เศร้ามากขึ้นเศร้ามากขึ้นบางทีมันทำให้เราเกิดความรู้สึกสมเพชตัวเองทำไมฉันเป็นคนเคาะร้ายแบบนี้ทำไมไม่มีใคร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 ถ้าไม่เศร้าถ้าไม่ร้องไห้แสงว่าเราไม่รักเขาน่ามันก็มีเหตุผลมาลองรับนะหลายคนต้องพยายามต้องพยายามเรียกว่าอะไรบีบน้ำตาออกมาเพราะว่าไม่งั้นกลัวว่ามันจะแสดงว่าเราไม่รักเขาถ้าเรารักเขาเาต้องต้องต้องร้องไห้ต้องคิดถึงเขาบ่อยๆถ้าไม่คิดถึงเขาบ่อยๆแสดงว่าเราไม่รักเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือว่าผู้มีพระคุณอันนี้แหละเป็นอุบายนะของความหลงที่มันคอยที่จะบงการจิตของเราเพื่อทำให้มันเนี่ยเติบใหญ่แล้วครองใจเรามากขึ้นมันจะได้อยู่ได้นานๆไ ง, ไงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามที่จะอยู่รอดใช้ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยดีด้ว ย, ว ย, วยอารมณ์มันที่มันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะมันก็พยายามที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้ตัวมันเนี่ย นะเติบใหญ่แล้วก็แร่พันไปได้ไกลไกลม่ทำทุแม่สั่งให้เราทำทุกอย่างนะเพื่อที่เราจะได้จมอยู่ความอยู่ในอารมณ์นั้นบางทีเราโกรธใครนะเรากลัวนะว่าจะหายเรากลวัวจะลืมโกรธเขานะต้องตอกย้ำเช่นมีการสักนะสักไว้ที่หน้าสักไว้ที่แขนบง้งนะเขียนชื่อติดไว้ที่กระจกนะกระจก กระจกในห้องน้ามั้งะเพื่อจะเตือนย้ำว่าไอ้นี่มันเลวต้องกลัมันต่อไปเวลาเศร้าเนี่ยเราอยากฟังเพลงกันแหลนะอยากฟังเพลงสนุกเปล่าไม่อยากเราอยากฟังเพลงเศร้าเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อให้เศร้านนหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรมันสั่งความเศร้ามันสั่งมันสั่งใจเราว่าเฮ้ยเปิดแต่เพลงเศร้ า, นาๆนะมันจะได้อยู่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 นะเล่งงานคนที่แนะนำแม่สั่งให้เราเล่นงานคนที่แนะนําเพราะว่าถ้าเราเชื่อตามคําแนะนําของเขาเนี่ยไอความกวนมันก็จะค่อยสลายหายไปนะเพราะว่าถ้าเราให้อภัยนะความกวนมันก็จืดจางออกไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นห่วงแม่แม่อายุก็เจ็ดสิกว่าแล้วแม่เป็นคนที่ นิสัยดีมีเมตตาแต่เวลาพูดหรือนึกถึงใครหรือคนคนหนึ่งเนี่ยจะโกรธมากเลยเหมือนกับเปลี่ยนนิสัยไปเลยความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนิสัยคนได้นะพอนึกถึงคนที่ก็จะโกรธเพราะว่าเนระคุณอุตส่าห์ช่วยตังเยอะแยะเนระคุณลูกก็กลัวว่าแม่เนี่ยจะวันหนึ่งสักวันอาจจะเสในสมองแตกหรือ กลัวว่าแม่จะไปอับายถ้าเกิดว่าตายตอนที่ยังมีความโกรธความเพียาบาดขาดใจอยู่ก็พยายามนะพยายามขอร้องว่าแม่ให้พายก็ไปเธอเรื่องมันก็นานไปแล้ว 20-30 ปนะีไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ 20-30 ปีแล้วแม่นี่โกรธแม่นี่กลับโกรธลูกราวกับว่าลูกเนี่ยพยายามจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่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 ไอ้นั่งเจ้าจุกต่อไปให้นึกถึงเรื่องที่เศร้าต่อไปความเศร้ไม่ได้ครองใจเราได้นานไม่ได้หลงต่อไปแล้วเวลาใครมาชวนให้เราไปเที่ยวนะี่บางทีไม่พอใจนะเพื่อตมาคนหนึ่งนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใจให้เธอจดหมายที่เธอได้รับนี่ มันเหมือนกับบ่งบอกเป็นได้ว่าก็แค่คบกันแบบเพื่อน mm hmm. เธออ่านตัวมายเสร์จเธอก็เศร้าซึมเสียใจ mm hmm. ก็พอดีนะ mm hmm. มีเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยสีห่หคน mm hmm. ไม่ใหญ่กลุ่มไม่กลุ่มไม่ใหญ่สี่ห้าคนมาหาเธอที่บ้านแล้วก็กดกิง่งแล้วก็เรียกเธอชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเสียงเพื่อเรียกเธอชุนขึ้นมาใน ใ, นใจเลยนะนึกขึ้นมาในใจว่าเนี่ย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 มันก็เลยบงการจิตใจเรานะี่เป็นอูบายนะอูบายที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ทันนะของความหลงนะแต่วิธีการอย่างและธรรมชาติของมันอีกอย่างนึงนะคือมันดื้อด้านมากเลยมันดื้อมากเนะีเวลาโกรธเวลาเศร้าเนี่ยยิ่งเราพยายามกดข่มมันเท่าไหร่นะมันกลับยิ่งมีกําลังมันกลับยิ่งมีอํานาจมากขึ้น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 ไอความโกรธเนะี่ยที่มีมันหายไปเลยสิ่งที่เธอทำาม่ไไม่ได้กดข่มเพียงแค่รู้รู้ว่าเราเผลอไปไปแบกนะเผลอไปโกรธไอเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพียงแค่รู้ทั น, นความโกรธมันหายเลยเพราะว่าพอรู้ทันปุ๊บ ม, มันวางไอตอนที่ทุกข์เพราะมันไปยึดเอาไว้นะพอรู้ว่ายึดนะ ทันทีเลยวางวางแล้วเกิดอะไรขึ้นสบายโล่งนะธรรมชาติของความโกรธเนี่ยและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันกกัวถูกรู้ถูกเข็นขณะที่การไปกดข่มมันเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเคยมีคนถามลูกปู่ดูลอตุโลนะซึ่งเป็นพระลูกศิษย์รุ่นแรกของลุกปู่มัน่นใครๆก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ มีคนถามหลวงปูว่วันหนึ่งว่าเนี่ยหลวงปู่ทำไมจัตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่บอกไม่มีใครจัดให้ขาดได้หรอกวิจารุทันมันชาวรู้ทันมันก็ดับไปเองอ น, นี้มันเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะของวิชาชีวิตนะแต่อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยจะพยายามใช้วิธีการกดข่มเดี๋ยวว่าแต่อารมณ์เลยนะ แม้ทางความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยกดข่มมันก็ไม่ได้นะก็เคยมีการทดลองนะให้เอาอ า, าสาสมัครมาเนี่ยให้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวผู้ทดลองก็บอก ว, ว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะอยู่ในห้องเนี่ยห้ามคิดอย่างเดียวนะห้ามนึกถึงหมีขาวถ้าคุณนึกถึงหมีขาวเมื่อไหร่คุณกดกริ่งเลยนะไม่ทลายเนี่ยเสียงกริ่งดังระ ง, งมเลย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 พยายามกดข่มความคิดนั้นหรือว่าพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดเรื่องนั้นอีกกลุ่มหนึ่งตามสบายก่อนนอนนะแต่แล้พอนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ให้คนเนี่ยเขียนเกี่ยวความฝันของตัวแล้วก็เพราะว่าคนที่ได้รับคำสั่งให้ไปกดข่มห้ามความคิดหรือเรื่องเรื่องนั้นเนี่ย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 เพื่อนเขาเล่าให้ฟังลูกอันนอายุประมาณ5้าขวบวันหนึ่งก็อารมณ์ดีนะไปเก็บดอกไม้ไมาให้ย่าดอกไม้มีสองสีสีเหลืองกับสีแดงแกก็แยกดอกไม้สีแดงใสแจกันหนึ่งสีเหลืองใส่แจกันหนึ่งมาให้ย่าย่าเห็นก็โอดีใจขอบคุณ แต่พอหลานไม่อยู่ย่าก็เอาดอกไม้สองสีมามาคลักกันเพอย่าคิดว่าดอกไม้สองสีมคลักกันจะจ่า ก, กันจะกัำมันสวยกว่าพอหลานไม่เห็นนะโหได้เรื่องนะ้ำหวานโกรธมากนะโกรธยายร้องไห้เรียกร้องให้ยายนี่มาทําให้มันเหมือนเดิมแต่ยา่าไม่อยู่นะอยู่แต่แม่ก็ร้องนะเด็กก็ร้อง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 เกีกัเด็กมาดูพักใหญ่ก็รู้ว่าการใช้ทำเชื้อมีประโยชน์พยายามพูดดีๆกับลูกลูกโกรธย่าใช่ไหมใช่ลูกโกรธที่ย่าเอาดอกไม้นะของลูกเนี่ยสสีมาปนกันใช่ไหมใช่ลูกโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้โกรธแค่นี้หรือโกรธเท่านี้เลยเด็กบอกโกรธเท่านี้เลยเนี่ยโวโกรธเท่าฟ้าแม่แทนที่จะตกใจเนาะโกรธว่าลูกโกรธย่าเท่าฟ้า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 อันนี้ฟุ้นเลคือ พ, พ่อพูดยังไงเนี่ยนะให้ผลงไงเด็กก็ไม่เคยหายกลัวเลยพอพ่อเนี่ยได้ฟังเรื่องเนี้พ่อตรงนี้เป็นไปได้เนี่ลองดูใช่วันหนึ่งก็อุ้มลูกเนี่ยลงเป๊ะเลยนะลูกก็เอาเลยนะร้องกรีดสั่นตัวนะไ ม, ไม่เรียกว่าจะดิ้นให้ได้ไม่ไม่อยู่โป๊ะอะพ่อไม่โกรธะพ่อแทนที่จะห้ามลูกอย่า ก, กลัวพ่อก็ถามว่าลูกกลัวใช่ไหมกลัว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 ปุ่มแล้วเนี่ยมันร้องเพลงเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังร้องเพลง12ปีที่แล้วไอ้ส10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเด็กก็มีความสุขแค่เนี้ยนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้ไมโครโฟนแบบนี้เด็กควางทิ้งเลยนะไม่ตื่นเต้นละแต่เมื่อ15ปีก่อนโห้มันเด็กอยากได้มากแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อบ้านนี้เขาค่อนข้างจะประหยัดในการใช้เงินนะแม่ก็บอก400รอมันแพงไป นะลูกก็ยังอยากได้รบเร้าให้แม่ซื้อปกติแม่เนี่ยถ้าเจอแบบนี้ก็จะทํา2อย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึซื้อให้เลยสองไม่ซื้อให้แต่ว่าแม่คนนี้แกก็มีจิตวิทยาเมื่อรู้ว่าลูกอยากได้มากก็บอกว่างั้นแม่จะซื้อให้นะแต่ต้องใช้เงินหนูนะโดยมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่งแม่จะหักเงินค่าขนมของของหนูเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งเก็บใส่กระปุกเอาไวจ้จนครบ400ร้ข้อสอง